Thank mm -hmm. you. ทำกิจทำการงานมาเยอะแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่จะได้มาทำจิตบ้างที่จริงพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็สอนทั้งเรื่องการทำกิจแล้วก็ทำจิตนะถ้าเราทำให้ดีทำให้เจริญ ทำให้ถูกต้องก็ทําทให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขคําว่าเจริญเนี่ยมันมีคำหนึ่งคือคําว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทําให้เจริญงอกงามแล้วคนเราสามารถจะเจริญงอกงามได้ก็ด้วยทังการทํากิจแล้วก็การทําจิตในพุทธศาสนาเนี่จะมีหลักธรรมคาสอนเรื่องภาวนา มีสี่ข้อมีสี่อย่างก็คือกายภาวนากายภาวนานี้หมายถึงว่าการทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีรวมไปถึงการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องไม่ทำให้เกิดความฟุ้งเฟอ้อหรือว่าความฟุ่มเฟือยอันนี้เรียกว่ากายภาวนา ไม่ได้แปลว่าบริหารกายให้มีสุขภาพดีอย่างเดียวนะรวมไปถึงการบริโภคการใช้สอยสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องวัตถุสิ่งของไม่ถูกต้องคือปัจจัยศีนั่นแหละอันที่2คือศีลภาวนาศีลในที่นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะศีลห้าแต่หมายถึงพิธกรรมรวนทั้งการทำอาชีพการงานอย่างเช่นถ้าเรามีสามมาอาชีวะ เราทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร น, นี้ก็เรียกว่าศีลภาวนาอย่าไปเข้าใจว่าหมายถึงเฉพาะแค่ศีลห้าทำงานไม่ว่าที่บ้านหรือที่ไหนทำด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความรับผิด ช, ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสัมมาอาชีวะก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมข้อศีลภาวนาอีกสองข้อคือจิตตภาวนาและปัญญาภาวนา สองข้อนี้เป็นเรื่องการทำจิตนะส่วนสองข้อแรกกายภาวนาและศีลภาวนาเป็นเรื่องการทำกิตนะการทากิตการงานนะพุทธศาสนานีท่านสอนให้ทำทั้งสองอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะทำแต่สองข้อแรกหรือว่าอาจจะทำแต่เรื่องกิตการงานแต่ว่าเรื่องทำจิต ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แนตะ่ด้นการที่เรามาที่นี่นะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำจิตทั้งที่เป็นจิตภาวนาและปัญญาภาวนาพุทธศาสนานีจะแยกนะแยกใจออกเป็นสองนะคือจิตกับปัญญาจิตนี่ก็หมายถึงการมีสติ การมีความเมตตาการ ม, มีความอดทนมีสมาธิมีความเพียรอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเราสวดเรื่องสัมมาวายามสาสัมมาสติสัมมาสา ม, มาธิอันนี้จัดว่าเป็นการเจริญจิตภาวนาความเพียร น, นะท่านจัดว่าอยู่ในฝ่ายจิตภาวนานะอย่างที่เราสวดว่าอากุศลกรรมใดบาปอกุศลใดที่ยังไม่เกิดก็ ไม่ให้มันเกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มันหายไปกุศลกรรมหรือกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ทำให้มันมีขึ้นที่มีอยู่แล้วก็ทำให้เจริญงอกงามมากขึ้นอันนี้ท่านก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพจิตนะกุศลอกุศลนี่มันเป็นเรื่องของคุณภาพจิตเราต้องพัฒนาให้มันมีมากขึ้นในฝ่ายที่เป็นกุศลก็ต้องใช้ความเพียร แว่าที่นี่เรามานันในเรื่องการเจริญสติอันนี้เป็นจิตภาวนาอันหนึ่งที่สำคัญมากการเจริญสติการเจริญสตินี่มันก็นำไปสู่ความสงบส่งเสริมให้เกิดสมาธิแล้วก็นำไปสู่ปัญญาปัญญาภาวนาหรือการทาให้ปัญญาเจริญงอกงาม ก็ต้องอาศัยการเจริญสติแต่ว่าสติกับปัญญานี่มันก็ทำงานกันคนละแบบนะถึงแม้ว่าจะเป็นเกลอือกันจะเป็นเป็นมิตรช่วยเหลือเกือ้อกูลกันตังก็มีหน้าที่ในการจัดการกับความทุกข์หรืออกุศลแตกต่างกันไม่ได้เหมือนกันทีเดียวแตกต่างกันยังไงนะอันนี้ก็ เคยมีคนถาม น, นกันนะถามพระพุทธเจ้าว่าไอการที่จะกั้นกระแสะกิเลสไม่ให้ไหลท่วมท้นใจนี่ทำอย่างไรนะคนที่ถามนี่ก็น่าสนใจนะเพราะคือเขาเป็นเป็นมานบนะที่มากันเป็นทีมเลยนะสิบหกคนครูอาจารย์สั่งให้มานะเป็นพรามชื่อภาวรี อยากจะโค่ น, นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี่มีสานุสิทธิ์เยอะอิทธิพลก็กําลังจะแพร่ไปทําให้หลายคนก็เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนามานับถือพระพุทธเจ้าพรามณ์พาวลีนี่ซึ่งนับถืออีกลัทธินิกายหนึ่งก็ไม่พอใจก็ส่งลูกน้องส่งลูกศิษย์มามาคล้ายๆมาโตวาทีเริ่มโดยการซักถาม หัวหน้าทีม ก, ก็คืออชิตตะอชิตตะมานบแต่ตอนหลังนะทั้งส6คนก็ไม่สามารถที่จะข่มพระพุทธเจ้าลงได้แล้วก็ที่ซักไซก็ปรากฏว่าได้คำตอบที่ทำให้เขาเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นก็เลยมาบวชนะกับพระพุทธองค์ทิ้งพามภาวรีไปเลย แล้วก็หลายท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือภริยเจ้าอชิตตามานพถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกระแสน้ําไม่ให้ไหลท่วมทนจิตใจพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าสติเป็นเครื่องห้ามกระแสกิเลสส่วนปัญญาเป็นเครื่อง ลักกระแสกิเลสหรือว่าตัดกระแสกิเลสสติเป็นเครื่องห้ามก็หมายความว่ากระแสกิเลสมันมีแล้วก็ห้ามทําให้มันสลายตัวลงไม่ว่าจะเป็นอกุศลธรรมเฉ่งความโกรธความเกลียดความเศร้านะพอเจอสติเข้าไปมันก็หายไปไม่ต่อเนื่องเป็นกระแสเรียกว่าดับไป ส่วนปัญญานี่เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นหรือว่าไม่ให้กิเลสเกิดเป็นกระแสขึ้นมาอันนี้อธิบายเป็นปรูปธรรมก็คิดว่าเอาคําอธิบายที่หลวงปู่ดูลัตุโลนั่นเคยตอบหลวงปู่ดูลุลนี่ท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นท่านบาแล้วน่าภาคไปยี่สิบกว่าปีแล้ว มีคนถามว่าจะตัดความโกรธให้ขาดได้อย่างไรถามหลวงปู่ว่าจะตัดความโกรธให้ขาดได้อย่างไรหลวงปูต่ตอบว่าตัดให้ขาดไม่ได้หรอกแค่รู้มันแค่รู้ทันมันมันก็ดับไปเองตัดความโกรธในที่นี้หมายถึงว่าไปกดข่มมันนะัวเราหลายคนก็ใช้วิธีนี้พอมีความโกรธก็กดข่มมัน ห้ามจิตไม่ให้โกรธมันห้ามไม่ได้จะตัดให้มันขาดไม่ได้แต่ว่าเพียงแค่รู้มันมันก็ดับไปรู้ว่านี่ก็คือมีสติรู้ทันนั่นแหละอันนี้แหละคือความหมายว่าสติเป็นเครื่องห้ามกระแสความโกรธนี่มันเป็นกระแสกันนะกระแสความโกรธเป็นกระแสกิเลสพอมีสติรู้ทันปุ๊บมันก็ดับไปคราวนี้ก็มีคนถามหลวงปูด่ด้วยว่าหลวงปู่หลวงปู่มีความโกรธไหม คือเขาก็ได้ยินกฤษสาว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์คำถามว่าหลวงปู่มีโกรธไหมท่านก็ตอบ ว, ว่ามีแต่ไม่เอานีมีแต่ไม่เอาอันนี้ก็มองได้สองแง่นะีคือว่ามีสติรู้เวลาพอเจอความโกรธปุ๊บมีก็วางซะความโกรธเกิดขึ้นพอมีสติรู้ก็วางหรือจะมองอีกแง่หนึ่งก็ได้แต่ก่อนก็เคยเข้าใจในความหมายนี้นะว่าเออ พอมีสติปุ๊บนะมันก็ไม่เอาความโกรธละมันวางเลยแต่ว่าได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านอธิบายท่านก็จะอธิบายในแง่ที่ว่าคำตอบลุงปู ด, ดุลท่านพูดในแง่ที่ว่าเมื่อมีความโกรธขึ้นเพียงแค่แว บ, บเดียวเป็นเหมือนกับประกายแล้วก็ดับไป ก็คือว่ามันไม่ต่อเป็นกระแสมันไม่เกิดเป็นกระแสมันแค่เป็นประกายเหมือนกระสุนปาร์คไฟล็อบแล้วก็ดับไปที่ดับไปเพราะมีปัญญาอะไรเห็นว่าความโกรธมันไม่น่าเอามีปัญญาเห็นโทษของความโกรธและมีปัญญาเห็นว่าความโกรธมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่น่าเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให ไม่เกิดการปรุงแต่งต่อไปเป็นกระแสอันนี้ก็อธิบายก็อย่างที่ได้อธิบายที่พระอาจาได้ตัไดไว้คือปัญญาเป็นเครื่องเป็นเครื่องลักกระแสกระแสกิเลสนะก็คือว่าพอมันมีความหมายว่าทาให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ หรือว่าทำให้กิเลสเกิดขึ้นเป็นกระแสไม่ได้ปัญญานี้ก็สำคัญมากนะในการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยทุกข์เพราะว่าไปยึดสิ่งต่างๆว่าเที่ยงไปยึดสิ่งต่างๆว่ามันต้องเป็นสุขไปยึดสิ่งต่างๆว่ามันเป็นเราเป็นของเรา พอสิ่งต่างๆมันแปรผันไปคือไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์รถยนต์ทรัพย์สินเงินทองมันเกิดแปรสภาพไปมันเกิดเสียไปหรือว่าคนรักตายจากไปก็ทุกข์เพราะว่ามีความยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องเที่ยงมันต้องอยู่กับเราไปนานๆไปตลอดหรอือว่ามันเป็นของเรา อะไรที่ไม่ใช่ของเรานี่มันหายไปยังไงเราก็ไม่ทุกนะรถของเพื่อนเราโทรศัพท์ของเพื่อนเราหรือว่าเงินทองของคนข้างบ้านหรือว่าคนอื่นหายไปเราก็เฉยๆใช่ไหยเพราะอหลรเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นของเราในที่เราทุกก็เพราะความยึดว่ามันเป็นของเรา ทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่ของเราเลยแต่ว่าเราไปยึดมั่นเช่นเราไปฟังบรรยายฟังเทศหรือไปฟังคอนเสิร์ตมีเก้าอี้ว่างเราก็ไปนั่งเสร็จแล้วเราก็สักพักเราก็ลุกไปห้องน้ําพอกลับมามีคนมานั่งแทนแล้วเราโกรธเลยเราก็จะต่อว่าเขาว่ามานั่งของฉันทําไม มันไม่ใช่ของฉันสักหน่อยนะมันไม่ใช่ของเราเลยนะแต่เราไปตูว่าเป็นของเรานั่นใครบันนั่งแทนเราก็โกรธอันนี้เห็นไหมว่าเราทุกข์เพราะความยึดมาเป็นของเราปัญญานี่มันทำให้เราเห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยทาให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันแปรผันเาะฉะนั้นเวลาเห็นสิ่งของมันพัดพลาสูนหายไป หรือว่าคนรักตายจากไปก็ไม่ทุกข์ในสายพุทธการมีคราวหนึ่งนางมาริกานิมนต์พระอัครส า, าวกพระโมคคัลลานาสาลีบุตรมามาฉันพร้อมกับพระอีกเป็นร้อยในขณะที่มีการถวายอาหาร ก็มีจดหมายดีข่าวด่วนมาเป็นจดหมายน้อยนะถึงนางมาลิกาแจ้งข่าวว่าพันธุราเสนาบดีซึ่งเป็นสามีแล้วก็ลูกเขย16คนถูกฆ่าคือส่งทาหน้าที่ไปปราบโจรในชายแดนแล้วก็ถูกฆ่ารอบฆ่าตายหมดเลยเธอได้ข่าวอ่านจดหมายเสร็จก็เก็บไว้เก็บไว้ที่ชายพกแล้วก็ทำการถวายอาหาร บังเอิญขนาดนั้นเองเนี่ยคนใช้เกิดทำจานตกนะเป็นจานใส่เนยนะตกแตกพาสายระบุเห็นก็เลยพูดปลอบใจนางเมริกาว่าอุบาสิกาของตกแตกพวกนี้มันธรรมดามันแตกได้อย่าเสียใจไปเลยนางมริกาบอกว่า เดี๋ยวว่าแต่ของตกแตกเลยนะเมื่อเช้านี้ข้าพเจ้าได้ข่าวว่าสามีแล้วก็ลูกลูกเขยตายสิบหกคนข้าพเจ้ายัางไม่เสียใจเลยนั่นนับประสาอะไรกับจานใสเน่เนยที่ตกแตกอันนี้การที่นางเมรีการนี้ไม่ทุกข์ไม่ใช่เพราะไม่รักแต่ว่านางมีปัญญาอะไรเห็นว่า คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายความตายความพัดพลากเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยไม่เสียใจแต่ว่าภาษาลิบบุดไม่รู้ว่านางเมริกานี่มีภูมิธรรมแค่ไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยเข้าใจความจริงของชีวิตแม้ว่าจะเกิดความสูญเสียความพัดพลากก็ไม่ทุกข์ หรือแม้แต่มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ไม่ได้ทุกไปด้วยเพราะก็มีปัญญาเลยเห็นว่าไอ้ที่ป่วยนั้นเนี่ยมันเป็นกายที่ป่วยนะแต่ใจไม่ได้ป่วยด้วยคือสามารถที่จะมองเห็นแยกออกมาเป็นขันได้นะว่ากายกับใจรูป ก, กับนา น, นี่มันคนละส่วนกันคนธรรมดา เวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็จะไปสำคัญมาหมายว่าชั้นปว่วยชั้นปว่วยชั้นเจ็บชั้นเจ็บมีตัวชั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พวกเราบางคนก็จะสืกว่าเนี่ยชั้นเมื่อยนะชั้นเมื่อยอันนี้เพราะว่ายังไม่มีปัญญาเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ที่เมื่อยที่ปวดเนี่ยมันไม่ใช่ฉันแต่มันเป็นกายที่ปวดที่เมื่อยส่วนใจนี่ไม่จาเป็นต้องปวดเมื่อยตามก็ได้เมื่อ สักหลายสิบปีก่อนนี่ก็มีคนนิมนต์ ห, วหลวงปู่บุตดานะมาฉันอาหารท่านก็พาพระมาฉันเป็นสิบรูปเลยนะบอกว่าในอาหารนี่มันมีมันมีสารพิษอาหารเป็นพิษนะนะพระก็อาเจียนกันใหญ่เลยอาเจียนแล้วอาเจียนอีกจนหมดแรงหลวงปู่บุตตา นะท่านก็อาเจียนนะแต่พอท่านอาเจียนใส่ใส่กระถนเสร็จท่านก็มานั่งคุยต่อกับโยมคุยให้กำลังใจโยมตอนท่านแก่มากแล้วนะท่านอายุก็แปดสิบแล้วท่านมรณานะพม่ยีสิบปีที่แล้วอายุหนึ่งร้อยหนึ่งท่านอายุมากแล้วนะแต่ว่าท่านนี่เหมือนกับว่าไม่ได้ทุกร้อนะเลยกับอาหารที่เป็นพิษนะ ขณะที่พัดหนุม่มนี่หมดสภาพไปเลยนอนหมดสภาพไปเลยคนก็แปลกใจถามว่าหลวงปู่ทำไมไม่เป็นอะไรท่านก็บอกว่าร่างกายเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุสี่เมื่อโดนยาเบื่อนะมันก็มีอาการต่างๆนานาแต่ว่าใจเนี่ยใจนี่ไม่ได้โดนด้วยไม่ได้โดนยาเบื่อด้วยมันก็เลยไม่มีอาการมันกับร่างกาย มันไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยตามร่างกายไปด้วยมันคนละส่วนกันอย่ามารวมกันอันนี้เพราะว่าท่ามีปัญญาเห็นไงว่าเอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราที่จริงมันไม่มีตัวเรามันมีแต่กายกับใจรูปกับนามเวลาเจ็บเวลาป่วยมันก็เป็นแค่กายปวดแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยมีคราหนึ่งท่านก็ไปพ่าไส้ติ่งนะผ่าเสร็จก็ ฟื้นตัวได้เร็วมากหมอก็เลยแปลกใจถามว่าหลวงปูไป่ไม่ป่วยเหรอไม่ปวดเหรอท่านบอกว่าก็ปวดเสีทําไมไม่ปวดแต่ว่ามันปวดแต่กายนะใจไม่ได้ปวดด้วยคือเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือแยกขันออกมาได้เพราะว่ามีปัญญาอะไรเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเรามันมีแต่รูปกับนามกายกับใจ อันนี้ก็ทำเป็นตัวอย่างว่าพอมีปัญญาแล้วเนี่ยนะมันก็ไอความทุกข์ก็เข้ามาครอบงำใจไม่ได้ความโกรธความเศร้าเสียใจมันก็ไม่สามารถจะก่อตัวเป็นกระแสไหลท่วมท้ น, ทนจิตใจได้ส่วนสตินี่ก็ก็ช่วยในเรื่องของการ กั้นไม่ให้กระแสกิเลสหรือว่าความทุกข์เข้ามาไหล่วมทนใจแต่ว่าการทํา i า d f u ติ e s นั้นคือการรู้ทันคือพอมีความโกรธเกิดขึ้นพอมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็รู้รู้แล้วก็วางเวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยลองสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่กายที่ปวดที่เมื่อยนะใจมันก็เกิด โทสะและเกิดความทุกตามขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันไอ้โทสะที่เกิดขึ้นในใจมันก็วางวางได้ไอ้โทสานั่นก็ดับไปใจก็กลับมาเป็นปกติได้กายยังปวดยังเมื่อยอยู่นะแต่ว่าใจนี่เป็นปกติเพราะว่า มันเห็นมันรู้ทันอาการกระเพื่อมของใจมีความชังเกิดขึ้นมีโทสะเกิดขึ้นมีความไม่ชอบเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วก็มันก็ต่อเป็นกระแสไม่ันก็ดับอย่างที่เราสอนเมื่อกี้เนี่ยสัมมาสติความระลึกชอบมีความเพียรเครื่งเผากิเลสมีสัพปะชนะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ ความไม่พอใจในโลกเสียได้เนี่ยหรือความพอใจคือความชังความชอบนั่นเองเวลาเราปวดเวลาเราเมื่อยเนี่ยใจมันจะรู้สึกไม่ชอบอันนี้ก็เป็นโทสะน้อยๆรล้จะปรุงเป็นโทสะที่ใหญ่ขึ้นเป็นกระแสที่ไหลท่วมทวนใจเพราะไม่มีสติแต่พอมีสตปิปุ๊บมันก็วางผู้ใหญ่คือมันก็ดับไป ใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่มีปัญญาพอที่จะที่จะเห็นรูปเห็นนามหรือว่าเห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าเราสามารถจ ะ, จะเจริญจิตภาวนาให้มีสติได้แต่ก่อนที่จะมีสติรูปทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ หรือว่าอาการกระเพื่มของใจไม่ว่าผู้หรือแฝดบวกหรือลบเราก็ต้องให้มีสติรูก้กายก่อนมีสติรูก้กายคือเวลากายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกรู้สึกในที่นี้ไม่ได้รู้สึกแบบเวทนานะเวทนาที่หมายถึงสุขทุกข์แต่ว่ารู้สึกในที่นี้หมายถึงว่ารู้ว่ามันเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการยกมือสร้างจังหวะหรือการเดินจงกรมเวลาเดินถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันก็รู้สึกขึ้นมาเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาความรู้สึกมันปรากฏขึ้นมาแก่ใจให้รับรู้ขึ้นมาได้เองเพียงแค่ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวหรืออยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าใจเราเผลอเข้าไปในความคิด หรือว่าไล่ล่าความคิดหายเข้าไปในอดีตหรือว่าไปจมอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะก็ไม่รู้ตัวละไม่รู้สึกแล้วยกมือก็ไม่รู้สึกหรือว่ารู้สึกนิดห น, หน่อยหน่อยรู้สึกประเดี๋ยวประดาแล้วก็หายไปใหม่มันเกิดขึ้นกับทุกอิเลีย บ, บทนะจะเกิดใจลอย ความฟุ้งซ่านการไปอะไรคุ้นคิดกับอดีตหรือว่าจมอยู่กับอนาคตเนี่ยเราเรียกว่าง่ายๆว่าใจลอยหรือฟุ้งซ่านใจลอยคือใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ไม่รู้สึกตัวแค่ น, นั้นแหละเดินก็ไม่รู้ว่าเดินนั่งฟังเทศก็จะไม่รู้ ว่ากําลังฟังอยู่หรือว่าเวลากินข้าวเคี้ยวไปปากเคี้ยวไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนก็เลยไม่รู้ว่ากำลังเคี้ยวอันนี้แล้ยว่าไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกเมื่อกายเคลื่อนไหวซึ่งก็ใกล้เคียงกับวความรู้สึกตัวใหม่ๆแล้วก็ให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายก่อน ขนาดกายหยาบๆความรู้สึกมันชัดๆแบบนี้เราก็ยังยังลืมได้หรือหลงได้เพราะว่าใจลอยไงแต่พอเรามีความรู้สึกตัวต่อเนื่องความรู้สึกตัวต่อเนื่องสติมันพาจิตที่เผลอฟุ้งกลับมาอยู่กับกายได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นไวขึ้นไวขึ้น ต่อไปมันก็ไวพอที่จะรู้ทันความคิดและอารมณ์รู้ทันความคิดและอารมณ์โดยเพราะฝ่ายที่เป็นอกุศลหรือฝ่ายที่เป็นลบเนี่ยความโกรธความหงุดหงิดความเครียดความเสียใจนะความขุนเคืองไอ้พวกนี้เนี่ยมันทําให้ทุกข์เกิดขึ้นระบีบคั้นใจเผาล่นทิ่มแทงใจและมันก็ต่อเนื่องเป็นกระแสเพราะเราไม่รู้ตัวเราไม่มีสติ มันก็ปรุงเป็นกระแสแต่พอมีสติปุ๊บนี่มันก็ดับไปใหม่ๆนี่กว่าจะรู้ตัวคิดไปแล้วเจดแเรื่องถึงรู้ตัวมันเป็นกระแสมันกัขบขบวนรถไฟเลยแต่พอมีสติพอฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าสติวัยขึ้นวัยขึ้นมันก็จากที่เคยคิด8ปดเรื่องก็เหลือ6 7เรื่อง ก็รู้ตัวแล้วต่อมาคิดมาสามสี่เรื่องก็รู้ตัวแล้วต่อไปนี่คิดเรื่องเดียวก็รู้แล้วยังไม่ทันจบเรื่องอะไก็รู้ซะละอันนี้เรียกว่าสติมันไวกระแสมันก็สั้นลงนะกระแสกิเลสกระแสความทุกขก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงมันยังมีอยู่แต่มันสั้นลง อันนี้เป็นเป็นงานของสติทำให้สั้นลงแต่ถ้าปัญญานี้ทำให้ไม่เกิดเป็นกระแสะเลยนะ น, นคือว่าจัดการที่ต้นต่อเลยแต่ว่าในขณะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยโดยพเพราะท่านเป็นผู้ฝึกใหม่ก็ให้ก็อย่าเพิ่งไปคิดไกลถึงว่าให้มีสติรู้ทันความคิดเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดหลุดเข้าไปในความคิด อยากจะไปตามดูความคิดสักหน่อยเพราะว่าถูกความคิดลากอูงลากลู้ถูกกังไปเพราะความคิดมันฉลาดมากมันสามารถจะหลอกเราให้หลงได้เพราะนั้นใหม่ๆก็ยังไม่ต้องสนใจความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวอันนี้ไม่ใช่เพ่งนะมันไม่ใช่เพ่งบางคนก็อยากจะให้รู้สึกชัดๆก็ไปเพ่งเอา ไปเพ่งที่มือไปเพ่งที่เท้าให้มันชัดๆอันนั้นก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งเพราะว่าจิตมันจะไม่ยอมจิตมันจะสู้ทําแล้วก็เหนื่อยแก็มันเหมือนกับเป็นการไปบังคับจิตไม่ให้ทํางานตามธรรมชาติของมันเหมือนกับไปล่ามจิตเอาไว้มันก็ล่ามได้มันก็ได้ผลถ้ายังล่ามเอาไว้ได้เหมือนกับเราล่ามหมานี่ถ้าเราล่าม ถ้าเชื่ อ, อยังล่ามได้อยู่มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเชื่อขาดเมื่อไหร่หรือว่าปล่อยโซ่มันก็ออกไปเล่นเพ่นผ่านตนกงูไม่กลับก็มีเราต้องฝึกให้มันเชื่องเองถ้าเราถ้ามันเชื่องแล้วนี่มันก็มันก็รู้หน้าที่ของมันมันก็ไม่ไปเพ่นผ่านจิตของเราฝึกได้นะฝึกให้มันอยู่กับที่หรือเป็นที่เป็นทางได้ และตัวที่จะฝึกให้จิตเป็นที่เป็นทางก็คือสตินั่นแหละสติธรรมะที่ดึงจิตกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่ บ, บ่อยๆอยู่ บ, บ่อยๆจนกั่งมันรู้ตัวคือมันเชื่องแล้วมันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะไม่ใจลอยละหกละเหินหรือว่ากระเซาอกระเซิงอย่างที่เคยเป็นหรือกําลังเป็นอยู่ในขณะนี้